ถ้ารู้ว่านี้เป็นไปเพื่อราคะนี้เป็นไปเพื่อประกอบเอาไว้ในวัฏฏทุกข์นี้เพื่อสร้างอุปาทานมีอุปาทานนี้เพื่อความมักมากนี้ไม่สันโดษนี้ขี้เกียจนี้เป็นการคลุกคลีนี้สังสมวัตตะอย่างเดียวเธอพึงรู้โดยส่วนเดียวยืนยันประกาศได้อย่างชัดเจนเลยว่านั่นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่คําสั่งสอนของพระาศาสดา ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่นำออกจากวัตถุกพ่อไหเพราะเป็นไปเพื่อราคาเป็นไปเพื่อประกอบในไว้ในทุกเป็นไปเพื่อมีอุปาทานเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความเกียดค้านเป็นไปเพื่อคลุกคลีเป็นไปเพื่อความสั่งสมแต่วัตตะขณะเดียวกันเป็นไปเพื่อปฏิเสธข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดราคะเป็นวิธีการที่ปฏิเสธข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติที่สงบทุกข์เป็นวิธีการที่ปฏิเสธคำสอนที่กำจัดอุปาทานนะสรุปว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อดับราคะเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์เลยไม่ได้เป็นไปเพื่อดับอุปาทานเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความมากน้อยไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษไม่ได้เป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่ได้เป็นไปเพื่อวิเวกไม่ได้เป็นไปเพื่อเลิกสังสมวัตะ เ, เลิกก่อวัตะ อันนี้ไม่ใช่คําสอนเพราะฉะนั้นจําเอาไว้เลยส่วนเดียวหบอกว่าไม่ต้องแบบแหม่แง่นี้ดีแง่ น, น, นั้นไม่ดีอันนี้ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเป็นทางสองแพร่งสามแพร่งสี่แพ่งสองแยกสามแยกสี่แยกห้าแยกมันทางตรงอย่างเดียวพูดโดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนตรงกันข้ามดูก่อนโคตมีเธอเพิ่งรู้ทำละเหล่านั้นใดว่าเป็นไปเพื่อดับราคะ ไม่ใช่สร้างราคะเป็นไปเพื่อดับการประกอบเอาไว้ในวัตถทุกเนี่ยนะสังโยคเนี่ยนะที่ไม่ได้เพื่อประกอบไว้ในวัตถทุกขเลยอ่ะนะไม่ได้เป็นไปอ่าเป็นไปเพื่อปราศจากหรือเพื่อดับอุปาทานไม่ได้ก่ออุปาทานเลยเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ได้เพื่อความมักมากเลยเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่สันโดษเลยเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่ใช่เกียดครานเป็นไปเพื่อวิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นไปเพื่อปราศจากวัตตะไม่ใช่สังสมวัตตะเธอพึงรู้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดานะถ้าเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อดับราคาเป็นไปเพื่ออนดับธรรมะที่ประกอบไวในวัตถุเป็นไปเพื่อ ดับอุปาทานเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อไม่สะสมนั่นถูกต้องแล้วและเป็นข้อปฏิบัติที่ปฏิเสธราคะปฏิเสธวัตทุกปฏิเสธอุปาทานปฏิเสธมักมากปฏิเสธความไม่สันโดษปฏิเสธความเกลียดคร้านปฏิเสธการคลุกคลีปฏิเสธการสั่งสมวตะนั่นถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นข้ออ้างว่าสอบสวนเป็นไปตามหลักแปดประการเหล่านี้ไหมถ้าเป็นไปตามหลักแปดประการนี้รู้โดยส่วนเดียวว่าถูกต้องแล้วละ่ะนั่นเป็นไปเพื่อนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่สำคัญรู้จักสอบสวนเทียบเคียงในพระพระไตรปิฎกสูตรคือพระไตรปิฎกวินัยคือวินัยมีการกาจัดราคะเป็นต้นผลสอบสวนใน ถ้าไตรปิฎกสอบสวนโดยเฉพาะสอบสวนโคตมีสูตรนี่แหละนะสอบสวนโคตมีสูตรสอบสวนปิฎกสามอันะถ้าเป็นไปได้ลงตัวก็จำเอาไว้เถอะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ทิ้งซะนะทิ้งเหมือนอะไรก็ทิ้งเหมือนกับอน่ะทิ้งกระจาดทิ้งอะไรไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรอวอนเนี่นะก็เหมือนผักเน่าไปแล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้รอก อันนี้ในยะที่ข้อแรกอ้างพระพุทธเจ้าขนาดอ้างพระพุทธเจ้าแล้วถ้ายังไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องเอาไว้หรอกในข้อหนึ่งร้อยสิบสี่ดูก่อนพิสูธาลัยภิกสุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสงพร้อมทั้งพระเทระพร้อมทั้งพร้อมทั้งป่าโมกอยู่ในอาวาสนู้นสงเนี่ยก็คือคณะสง์ด้วยพระเทระเนี่ยวุ้ยพรรษาเกินสิบทั้งนั้นแหละ และปาโมกมีแต่เจ้าหมูเจ้าคณะมีแต่เจ้าลทัทธินะมีแต่หัวหน้าใหญ่มีแต่อาจารย์ใหญ่ๆอยู่ที่วัดนั้นทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็กล่าวอ้างว่าข้าพเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะหน้าของสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้าน คำกล่าวของภิกษุนั้นคั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยเมื่อถ้าหากว่าเมื่อเธอสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในสูตรไม่ได้แล้วหมายว่าลงในปิดกสามก็ไม่ได้เทียบเคียงในวินัยเพื่อกําจัดราคะเป็นต้นก็เทียบเคียงเข้ากันไม่ได้เธอพึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่า นั่นไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและคณะสงฆ์เหล่านั้นจำมาผิดแน่นอนพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสีย น, นะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรอววรอบางคนก็บากโอ้ยเสิละได้ไงอุตส่าห์จามาตั้งเป็นสิบสิบปีบอกทิ้งไปเถอะเนี่ยนะม่รู้จะเก็บไว้ทาไมอนุรักษ์เอาไว้ทาอะไรมังกัน แต่ถ้าหากว่าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนในพระสูตรคือปิดกรสามเทียบเคียงในวินยัยการกำจัดราคะเป็นต้นลงกันในสูตรได้เทียบเคียงในวินัยได้เธอพึงถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและภิกษุสงฆ์นั้นจามาถูกต้องแล้วแน่นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ออ้างใหญ่ข้อที่สองอันนี้เอาไว้ ข้อต่อไปอีกดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสษุในธรรมวินัยนี้เพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าพิสษุผู้เป็นเทระมากรูปอยู่ในอาวาสนูนเป็นพหูสูตรโอ้แต่และองค์นี่เก่งมากเรียนเยอะเือนั้นมีอาคมอันมาถึงแล้วแปลว่าทุกองทรงพระตรปิฎกดหนกันเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยและทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมนะไม่อย่าพึงอ ย, อย่ารีบชื่นชมเลยนะไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของอะนะพระพิสุเหล่านั้น ครันไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยถ้าหากว่าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเคียงในวินัยก็ไม่ได้ก็ทําความตกลงใจไว้เลยว่านี้ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพิษสูตรเหล่านั้นจํามาผิดแน่นอนพระเทระเหล่านั้นจํามาผิดแน่นอนแต่ถ้าหากว่าโดยพยัญชน ะ, ะนะ บทพยัญชนะสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงได้ในสูตรเทียบเคียงได้ในพระวินัยเธอพึงทำความตกลงใจได้แต่ว่านี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระเทระเหล่านั้นจำมาถูกต้องแน่นอนที่สู่ทั้งหลายอันนี้พวกเธอพึงจำมาหาประเทศข้อที่สามนี้ไว้ให้ดี สังเกตนะจะอ้างพระพุทธเจ้าก็ตามจะอ้างคณะสงฆ์มูใหญ่วัดใหญ่ก็ตามจะอ้างพระเทรามาตั้งหลายรูปก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามพระไตรปิฎกไม่เป็นตามสังวรนีไหนเป็นต้นทิ้งซะไม่ต้องสนใจถ้าเป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นไปเพื่อกาจัดราคาเป็นต้นอันนี้ถูกต้องเก็บเอาไวเ้เถอะอันนั้นอ้างถูกต้องแล้ว ข้อที่ต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระอยู่ในอาวาสนูนเป็นพู้หูสูดมีอาคมอันมาถึงแล้วทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติการาพรเจ้าได้สดับได้รับมาเฉพาะหน้าพระเทระนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของภิกษุนั้น ครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดทานแล้วก็เรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วแล้วก็สอบสวนนพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัยลงในสูตรคือพระไตรปิฎกไม่ได้เทียบเคียงกับสังวรวินัยเป็นต้นไม่ได้ถึงความตกลงใจในข้อนี้ว่านี้ไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระเทระรูปนี้จํามาผิดเข้าใจผิดแน่นอนัน แล้วตรงกันข้ำถ้าเทียบเคียงแล้วถูกต้องหมดเลยนะก็ยืนยันบอกนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระเถระเหล่านั้นจำไว้ถูกต้องแล้วอันพิสูนทั้งหลายพิูทั้งหลายพวกเธอพึงจำมหาประเทศข้อกล่าวอ้างใหญ่ๆทั้งสีข้อนี้เอาไว้ดีพวกเธอพึงจำมหาประเทศเหล่านี้ให้ดีด้วยประการชนี อันนี้เท่ากับยืนยันมากเลยนะจะอ้างพระพุทธเจ้าก็ตามหรอเาแม่ฟังตอนหน้าพระพุทธเจ้ามาเลยหรือจะอ้างแม่พระเทระอ้างพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งนั้นแหละหรืออ้างพระเทระตั้งหลายรูปหลายอาจารย์มาหรืออ้างรูปใดรูปหนึ่งก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามพระไตรปิฎกและไม่เป็นไปเพื่อกําจัดราคะเป็นต้นไม่ใช่คําสอนนะนะถ้าเป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกและเป็นไปเพื่อกําจัดราคะเนี่ยนะ เป็นไปเพื่อกำจัดราคาเป็นไปเพื่อไม่ประกอบไว้ในทุกขเป็นไปเพื่อไม่มีอุปาทานเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อปรารกความเพียรไม่คลุกคลีด้วยมูอไม่สั่งสมเอาไว้ในวะตะัตตนนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแน่นอนเนีน่ยนะแล้วก็อีกหลักอันหนึ่งเนี่ยนะอีกหลักหนึ่งที่ทกธายกมา เพื่อที่จะเป็นข้อประกอบวิธีการตรวจสอบธรรมวินัยในหน้าสี่ร้ยหกล่าวว่าพระสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีมหาประเทศสี่มหาประเทศสี่คือที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ในคันทกะในคันทกะคือในวินยัยปิฎกเนี่ยนะก็มีมหาประเทศอีกสี่และทั่วๆไปก็มีปัญหาพยากรณ์อีกสี่มีสุตตะอีกหนึ่งมีสุตานุลมัจจริยวะอัตโนมัติและก็สังคีติทั้งสาม อันนี้คือวิธีตรวจสอบเนี่ยนะว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยนะมั่นใจได้ขนาดไหนนะท่านก็ให้หลักวินิจฉัยเอาไว้หลักวินิจฉัยเพื่อความมั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรถือเอาหรือไม่ควรถือเอาเ น, น, นี่ยนะก็เมเกก็อ้างไปแล้วหนึง่งหนึ่งระบบใช่หมหนึ่งแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่หนึ่งก็คือใครจะอ้างพระผู้เจ้าอ้งางคณะสงฆ์หมายจักเยอะมากหรืออ้างหลายรูปหรือจะอ้างรูปใดรูปหนึ่งก็ช่างเอถอะถ้าไม่เป็นไปตามสูตรและวินัยก็ ไม่ต้องเอาถ้าเป็นไปตามนั้นก็ควรถือเอาอันนี้ตามพระสูตรน ะ, ถ, าานะถ้าตามคันธกะล่ะถ้าตามคันธกะบอกว่าคือคือมันเข้าได้กับอะไรเช่นว่าเข้าได้กับข้อห้ามหรือเข้าได้กับข้อที่ไม่ได้ห้ามถ้าเข้าได้กับข้อห้ามขัดกันกับสิ่งที่ไม่ได้ห้ามเอ่อก็ไปเข้าได้กับข้อห้ามขัดกับสิ่งที่ไม่ได้ห้ามอันนี้ไม่ถูกต้องอย่าเอาถ้าอันไหนไม่ขัดกับ ข้ออนุญาตแล้วก็ขัดกับข้อห้ามอันนี้ถือเอาเถอะอันนี้คือหลักการอีกในหนึ่งหมายถ้าว่ามันสอดคล้องกับคําสอนไหมถ้าสอดคล้องเอาถ้าไม่สอดคล้องไม่ต้องเอาถ้าขัดแย้งกับสิ่งที่พระองค์สอนให้ปฏิบัติหรือว่าอนุโลมต่อข้อที่พระองค์ห้ามอันนี้ไม่ต้องถือเอาอันนี้ลักษณะของพระวินัยเนี่ยนะในพระวินัยเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นเช่นว่าอันนี้ฉันได้ไหมไม่ได้ไหมเป็นตน้นอันนี้อยู่ได้ไหมอยู่หรืออยู่ไม่ได้ ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรเป็นต้นก็ไปเทียบดูว่ามันแนวโน้มจะเข้าได้กับข้อไหนแล้วก็ไปเทียบเคียงกันเอาอันนี้กลุ่มที่สองอันนั้นทวนอีกครั้งนี้กลุ่มแรกมหาประเทศตามมหาปรินิพานสูตรกลุ่มที่สองมหาประเทศตามคันตกะคือในวินยัย น, นี้กลุ่มที่สามคือปัญหาพยากรณ์สี่ก็คือเอกังสะพยาการณียปัญหาวิพัชชาพยาการณียปัญหาปฏิปุชชาพยากรณียปัญหาทัปนียปัญหาปัญหาทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าปัญหาพยากรณ์เขาบอกว่าคําที่เราไปเรียนมาไปฟังมาไปจําที่ไหนมาก็ช่างเถอะก็มาตรวจกับปัญหาพยากรณ์สข้อนี้ก่อน เช่นป <mile> ัญหาพยากกรที่ถามมาจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้ตอบไม่ต้องยืนอะไรว่าตอบยืนยันไปเลยว่ายังไงก็ไม่เที่ยงครับหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงยังไงก็ไม่เที่ยงจมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้ตอบโดยส่วนเดียวแน่นอนยืนยันได้เลยว่าไม่เที่ยงโดยส่วนเดียวมันไม่มีตาบางอย่างหูบางอย่างเสียงบางอย่างกลิ่นบางอย่างรสบางอย่าง เป็นต้นเหล่าใดที่มันเที่ยงไม่มีหรอกตอบตรงๆไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องเกรงใจอะไรสักอย่างเพราะมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนะทีนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกังสะพยากรณียปัญหาเนี่ยหมายว่าตอบอย่างเดียวเลยอย่างที่สองอันนี้ต้องแยกตอบนะถ้าเขาถามว่าจักสุหรือชื่อว่าไม่เที่ยงหมายว่าตาเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงเขาถามว่า ถ้ามีใครมาถามว่าตาเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงอันนี้ที่หนึ่งสองหูเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงอันนี้ต้องแจกตอบไปเลยไม่ใช่ตานะที่ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงลิ้นก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะแค่คือคือคำบอกว่าเขายืนยันบอกตาเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงรูปเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงบอกไม่ใช่หรอกเวทนาก็ไม่เที่ยงด้วยสัญญาสังขารคืออย่าปฏิเสธโดยส่วนเดียวแล้วก็อย่าไปรีบตอบรับโดยส่วนเดียว เขาเรียกว่าแยกยนะแยกเขาเรียกว่าวิพั ช, ช, พ ช, ชกัญญาปัญหาที่นี้ถ้าเขาถามว่าอีกอันหนึ่งปัญหาที่สามเขาเรียกว่าต้องสอบสวนให้ดีๆนะก่อนค่อยตอบถ้าสอบสวนไม่ดีคนตอบเนี่ยเสียไก่เลยเหมนันน่ยเขรียกว่าขายไก่ไปเป็นเล่าๆเลยขายขี้เค้าขายความโง่เขาคือก็ต้องพยายามสอบถามให้ดีๆว่าเขาผู้ถามเนี่ยเขาเขาอยากถามอะไร อย่างเช่นเขาถามว่าจากักรสุชั้นใดโสตะก็ชั้นนั้นใช่ไหมโสตะชั้นใดจักสูุก็ชั้นนั้นใช่ไหมตาก็เหมือนหูหูก็เหมือนตาใช่ไหมเราต้องถามว่าไอ้จริงที่ท่านพูดท่านต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร